เอ่อสําหรับตอน <c oughs> 15 ขอท่านทั้งหลาย แล้ว 4 ตัดให้ 5 4 จึงแปรเป็นเจตความว่า ขึ้นชื่อว่าความดีไม่ เรื่องนี้พระอนนท์เดินเข้ามาแล้วสิกขาบท เว้นไว้แต่นางภิกษุณีเก็บข้อนี้ก็ แลกกันไปแลกกันมาดีไม่ดี ศีลยาบ้านหนึ่งต้องปาจิตีเว้นไว้แต่ <c oughs> เอาว่าเวลานี้ 8 ภิกษุชนนางภิกษุณีล่อง ก้าวภิสุทธิ์ฉันของเคลียวของฉัน เลวเกินไปเพราะว่านางภิสุณีนั้น <c oughs> การกินอาหารกินพระยังอัตภาพให้ เรื่องนางภิสุณียก <c oughs> 4 มี 10 ต่อไปจึงชั้นอีกๆกันตั้ง เพราะแต่ว่าตามใจผมนะคนเพราะว่าเรารู้ใจเขาไม่ได้นั้นจะเกิดแสดงการลังเกียดแต่ จะทําให้เขาลงนรกแล้วถ้า ฝ่ายรับของของนั้น 4 รูปขึ้นไป 1 เป็นไข่ 2 หน้า จิวรական หน้าจิวรนกาล 1 เดือน 11 ถึง ถ้า 1 เดือน 11 ถึงเด 4 เขาออกชื่ออย่าง 4 4 อ, า, ย, 1 2 อน, 3 4 5 เราอยู่มาด้วยกันบิณฑบาตไม่พอฉันอันนี้ได้ เราทํากันขึ้นมาเองในครัวอย่า มีอะไรก็ว่ากันไปตามเรื่อง ไปเสียที่อื่นต้องไปอีก ถ้าพระอันนี้ดีกว่านะง่ายดีได้ก็รับถ้าเค้าไม่ยอมให้ อันนี้ก็เป็นนะ 5 มาเอา เอ่อห้ามสิแล้วลุกจากที่นั้นไป อย่างนี้เป็นการทําลายศรัทธาของทายกที่ถวาย <c oughs> ว่าฉันขอนิมนต์ท่านบอกที่ เตรียมบอกว่าภิกษุรู้อยู่ว่าภิกษุ เขาบอกว่านี่ท่านเป็นของเดนภิสุค <c oughs> ย่างก็เหมือนด่าแสดงว่ามีไม่ คนนี้รักษาโมสดเขายังรักษากัน แล้วก็เป็นโลกวัชชะทําให้พระศาสนาเส่าหมอง <c oughs> รับประเคนแล้วให้เด็กหรือว่าบอยา ที่ไม่ใช่ญาติไม่ใช่บวารณาอมาจารย์ต้องปายติพี <c oughs> เจริญอะไรกันล่ะถ้าแบบนี้ไม่ เหมือนไม้แดนน้ำและไม้สีฟันเป็นอันว่า <c oughs> เปิดฝาบ้างเปิดเอ่อเปิดฝา ก็ดูตัวอย่างเปรตจริงๆแล้วก็พระ ใจๆแล้วก็การกระทํามี 1 อันนี้เป็นการประมาณเป็นการป้องกันคํา อย่าให้ในมือของตนเอง 2 พระเรื่องมีอยู่แล้วในพระใน <c oughs> ควรจะเดินห่างกันประมาณ 1 ศอก นักรัฐยืนเรียงกันตามลําดับ ได้บริการ 1 ในขณะที่ก่อน ผมเคยใช้ดิวิโสทั้งบท ขอท่านจงเป็นผู้มี พอที่เดินช้ามีอยู่ก่อน ถ้านี่เป็นเรื่องธรรมดาจะฉันร่วมเวลากับองค์อื่นไม่ได้นี่เป็น อย่าอ้ออย่าอวดอย่าทนงตนเมื่อ เราคิดไว้เสมอว่ากินอย่างนี้มัน ทำให้มันถูกไม่ถูก อ่าไอ้ตรงนรกมันนี่นี่ ไม้ความเค้ากําลังกินอาหารอยู่ดันเสือกเข้าไป สีภิกษุนั่งอยู่ในห้องกับผู้ มันเป็นเรื่องของโลกที่เตียนอันนี้ นี่เป็นอันว่าไอ้การที่เรา บรรดาท่านที่เป็นครูบาๆว่าณปุ นาปุๆนาปุในๆถ้าท่านใดเอาใจ สมบูรณ์